ฟังธรรมประจามสบายธรรมา ก, ก็พูดเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยแล้วแต่จะนึกออกแต่ธรรมาจะพูดธรรมะแบบปแบบอาจารย์ออสก็แล้วกันเพราะอาจารย์ออสเนี่ยเป็นจุดประการให้ธรรมะหลายเรื่องแต่อาจารย์ออสท่านพูดท่านไม่มีเรื่องอธิบายบางครั้งโยมก็อาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ธรรมามีเรื่องประกอบเล็กน้อยที่ยริงธรรมะจริงแเรามีรู้กับหลงนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่บางทีถ้าเราไปพูดเรื่องตำรามากมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์มีเผลอก็รู้ส่วนมากธรรมะแบบฉับพันเนี่ยจะนํามาจากนิกายเซน เพราะเซนเขาไปสอนตามปราสอนให้เห็นอารมณ์ปัจจุบันเลยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งสมัยก่อนเรื่องนี้เกิดที่ชาญเมืองกรุงเทพจะเกิดขึ้นมานานมากแล้วประมาณ 70-80 ปีได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการมโนพระมาเทศสามธรรมาทตโดยตั้งหัวเรื่องเกี่ยวกับอาทิตย์ผู้เรื่องราคะโทสะโมหะโดยให้พระเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ถาม ว่าเป็นมาอย่างไงทําไมถึงเกิดไฟราคะไฟโทรสาอะไรเงี้ยคือคือผู้ที่ถามเนี่ยหรือผู้ที่ตอบเนี่ยจะต้องมีไหวพริบช้อนหน้าพาสองรูปก็ถามตอบกันอยากสุกสนานเป็นที่ชอบใจของญาติโยมที่มาฟังธทำเพราะมีไหวพริบดีแต่พาอีกรูปหนึ่งเนี่ยนิ่งเฉยตลอดไม่พูดไม่จาอะไรเล ย, เลยจนพระรูปแรกเนี่ย เ, เรื่องไฟราคะจบลง ทีนี้ก็มาถึงเรื่องไฟโทสะพระรูปที่จะพูดเรื่องไฟโทสะเนี่ยหน้าตาแดงกล่ามองหน้าพระสองรูปที่เทศด้วยกันจ้องด้วยสายตาไม่น ม, มิดเลยสร้างความหวาดกลัวแก่พระสองรูปนั้นอย่างยิ่ง แ, แล้วส้วนตีนพระที่ร่วมด้วยเนี่ยโกรธจนหูเหือแดงหมดเลยสักพักหนึ่งหน้าตาของพระที่ผู้ส้นตีก็เปลี่ยนไป จากเมื่อกี้หน้าตาขึงขังเอาจีกระจังตอนนี้ก็เริ่มอ่อนโยนแล้วแล้วก็ตั้งนโมแล้วก็พูดเรื่องโทสะไฟโทสะแล้วอธิบายว่าส้นตีเนี่ยกับใต้พระบาทเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนใต้ละองธุรีฝ่าพระบาทกับส้นตีเนี่ยภาษาไทยก็คือคําเดียวกันแหละความหมายแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่การแสดงออกของอารมณ์เราสังเกตว่าเวลาเพื่อนเราเนี่ยเวลาพูด เพื่อคนอาจไม่โกรธนะเพราะจะจะรับได้แต่เพื่อนอีกคนทงใช้คําเดียวกันอาจจะโกรธก็ได้ถ้าไม่สนิทกันบางคนดาไอ้ที่ไอ้สัตว์อะไรเงี้ยไม่โกรธหรอกมันชินไงแต่บางคนที่ไม่สนิท่าพูดนี้ไม่ได้นะะดนต่อยได้เพฉะนั้นคนเราจะมีการปรุงแต่งที่ไม่เหมือนกันรูปนี้บางคนก็ว่าเป็นหลวงปู่บุตดาแต่ที่อามามันน่ามาเล่าเนี่ยจะไม่จะไม่อ้างว่าเป็นหลวงปู่บุดาเพราะว่าเป็นเรื่องเล่ากันมาเพราะจะไย์สารก็เล่าเรื่องหลวงปู่บุตดา เรื่องส้นตีนอันนี้เป็นการสอบอารมณ์แบบฉับพลันไม่มีหนังสือทําให้เห็นแล้วโลฟารโกรธจริงๆเลยเพราะผู้ที่ถา ม, มจะกกโกรธจริงๆโกรธจะฟันเอาหัวเลยนะซึ่งคนที่สอนเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีมีไหวพริบมีปัญญาพอสอนเสร็จก็ต้องกลับขอเข้ามาขอโทษซึ่งกันแล้วกัรนนะ่ะไม่ให้ติดอารมณ์ติดค้างอารมณ์มันเมื่อก่อนเคยมีมหา ไ, ไปถามหลวงพ่อชาเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ที่สวนโมกจะสอนกันเป็ น, ปนว่าเล่นเลยเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องธาตุเรื่องภัรษาเวทนาเรื่องอวัยวะต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนน่ะมาอยู่สวนโมกเนี่ยจะจําพวกนี้ได้หมดคือใช้ศัพท์ลุงสูงอะจนพวกพระเนี่ยเอามาพูดกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่นเลยแหละแต่วัดป่าสุกโตเนี่ยส่วนมากพระพูดกับเครได้นึกไม่ออกบาทีพูดถึงปฏิจจ์แล้วก็ลืมแล้วว่า11สายมันคืออะไรบ้างไล่ตั้งแต่วิชาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นามรูปสลาเจรณะ พัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชรามนาณะ11 ส, สายซึ่งสาเหตุเกิดจากวิชาแล้วทีต้องอธิบายล่า ย, ยาวเลยว่าสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงนามรูปเป็นยังไงถ้าเป็นที่เบตเนี่ยมันจะมีรูปยักษ์เขาเขียนเป็นรูปยักษ์แล้วก็มีวงล้อยักษ์ในอ้าปากจะกินอธิบายปฏิจจะเนี่ยตั้งแต่วิชาเลย จ, จนถึงจนถึงภพชาติก็มีรูปประกอบน่นแหละภพก็มีผู้หญิงท้อง มีปัญหาอุปทานแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะวาดวาดให้เหมือนเพื่อให้อธิบายภาพอะว่าการทำงานของจิตแบบสายฟ้าแลบเป็นยังไงหลวงพ่อชาเนี่ยบอกไม่ทานหรอกมาหาเหมือนคนที่ตกต้นมะม่วงเนี่ยบางทีหล่นลงมาเนี่ยมันไม่รู้มันผ่านกิ่งได้บ้างมาถึงหล่นตุบลงพื้นแล้วเจ็บบันทีอ้ น, นี้คือธรรมะจริงๆไม่ใช่ธรรํามาในหนังสือคือ ตกถึงถือก็เจ็บอ่ะอันนี้คือปฏิปฏจจะมันไม่ทานน่ะ่าว่าไล่มาผ่านจริงอะไรมั่งผ่านอะไรมั่งเนี่ยนั้นธ ร, รว่าของหลวงว่อชาจริงสดๆมีหลายครั้งเนี่ยชี้ให้สิทธ์แต่เหตุอารมณ์เลยเฉพาะหน้าเลยมีเรื่องเศษอยู่เรื่องหนึ่งพระรูปนึงชื่อว่าลินไซถ้าเป็นลูกศิษย์ของฮวงโปครูบาฮวงโปเนี่ยเป็นหลานศิษย์ของท่านเวลังท่านเวลังเนี่ยเป็นสังปริณายกองค์ ที่หและเป็นคนสุดท้ายที่จะรับมอบาทนะัจจีบอไล่ตั้งแต่ท่านโพนิธามหรือปรบรมประาารยศตักม้อเป็นองค์แรกแล้วมาสิ้นสุดที่ท่านเวลางตอนหลังก็ไม่มีการไม่มีการมอบาดนะัจจีบอแล้วฮวงโปเนี่ยก็เป็นพระดังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายก็เผยแพร่คําสอนอยู่ในประเทศจีนนั่นแหละดินไซก็เป็นพระที่เข้งคัดในวินัยมากแล้วก็เอาจีก็าจางเพื่อความหลุดพ้นก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับ ครูปาหวงโปเนี่ยมาสามปีแล้วเพื่อนก็บอกให้ไปถามอาจารย์ดิว่าสอนอะไรขอท ร, รมขั้นสูงอะลินไซก็ไปถามครูปาหวงโปเลยไปถามว่าแก่นพุทธธรรมคืออะไรครูปาหวงโปไม่ตอบเอาไม้เท้าหวดไปที่ไหล่หนึ่งทีตีแรงเหมือนกันนะแกก็เจ็บแล้วก็กลับไปไม่ไม่มีการบอกอะไรนะทั้งนั้นวันต่อมาลินไซก็ไปถามอีก ถามคำเดิมแหละก็โดนไม้เท้าตีไปอีกทีตีกระไลเมื่อวานตีไหล่ซ้ายหรือตีไหล่ขวาปินไสก็เริ่มน้อยเนือน้อต่ําใจแล้วอาจารย์นี่ไปถามธรรมากก็ไปต่อกลับมาตีอย่างนี้ก็กลับไปวันใหม่เพื่อนก็นยุให้ไปถามอีกแต่ถามครั้งนี้นะโดนตีที่หัวเลยหัวโนเลยโดนไม้เท้าตีปินไสน้อยใจครูบาหวงโปมากเลยขอลาแล้วก็เดินทางไปเพื่อจะไปหา เพื่อนของคูบาฮงโปนี่แหละสํานักนี้ก็อยู่ไกลมากข้าวเคือไม่ยอมกินเหรอเดินทางทั้งวันท้าไปถึงสํานักนั้นเจอหน้าเพื่อนของคูบาฮงโปก็เข้าไปหาแหละสมัยก่อนพวกครูบาอาจารย์เซนก็ทักกันไม่เหมือนพวกพระไทยทักกันนะบางทีก็วิธีทักกันแปล ก, แ, ปกแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่าจะไม่ถือสาอะไรกับคนบ้าอย่างฮงโปเขาพูดเท่านั้นแหละ อารมณ์ที่แบกมาอารมณ์ที่น้อยใจอาจารย์ตลอดทางเนี่ยจนข้าวปลาไม่ไม่กินข้าไม่กินน้ําอะไรรีบมาเนี่ยมันหลุดเลยสระดหลุดปุ๊บเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรมเกิดเกิดอึงสักพักหนึ่งอาจารย์ก็มาประคองลินไซก็ก็รู้สึกว่าจะใช้แบบชกบ้างชกชกไปที่หน้อกหรืออะไรเนี่ยเพราะนี่ไก่เซนก็สอยกันแบบใช้ความรุนแรงนะแต่ไม่ได้ติดอารมณ์แล้วก็รีบกลับไปหาอาจารย์ตัวเอง รีบเดินทางคันถึงวัดเนี่ยครูบาหงโปกกำลังสอนลูกศิษย์อยู่เลยอยู่ที่ศ า, าลาลินไซกลับมาก็ยิ้มแย้มทักทายคันเข้าไปถึงก็คุยกันแล้วสักพักหนึ่งลินไซก็ตบหน้าครูบาหงโปไปหนึ่งทีเสร็จแล้วก็ก้มไปที่ตีนนั่นแหละแล้วก็เอาลิ้นเรียท้าวครูบาหงโปก็ยิ้มชอบใจบอกงไหที่ใช้ได้มันเถื่อนดี คืออาจารย์ก็ไม่ได้โกรธนะลูกศิษย์นะลูกศิษย์ตบอาจารย์ก็ไม่ได้โกรธอาจารย์จะแสดงให้เห็นถึภาวะฉับพันจิตจิตสู่จิตไงว่าจำหลักแล้วการตบครูบาอาจารย์ที่เป็นอธิยะเนี่ยอุปทานมันเยอะอาจจะติดอารมณ์หรือทําให้ตายไปลงนรกได้เลยแต่ถ้าคนที่หลุดพ้นแล้วตบไปแล้วไม่ติดอารมณ์ไม่เป็นไรเป็นการพิสูจน์อันนีกายเซนจึงสอนแบบฉับพลันให้รู้จิตขณะปัจจุบันท่านโพลิธรรมหรือปริบาร์จาตักโมอเนี่ย สมัยที่ท่านมาเมืองจีในใหม่ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยคนที่ได้รับมอบบาดและจีวรก็คือท่านหุยคอสมัยนั้นมาขอเรียนธรรมะกับท่านเนี่ยโดยนั่งคุกเขา่าท่ามกลางกองหิมะที่หนาวเหน็บคือนั่งนานมากอะ่ะจนสุดท้ายท่านปุยธรรมก็ถามว่าเธออยากเรียนธรรมะกับเราเนี่ยเธอศรัทธาแค่ไหนหุยคอชักบีบออกมาฟันแขนซ้ายขาดเลย แล้วก็มอกแขนเนี่ยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาท่านภูยิธรรมเห็นความตั้งใจขนาดนั้นแล้วยเข้ามาถามว่าจะให้เราสอนอะไรเธอเหรอืออาจารย์ผมจิตไม่สงบเลยอยากให้อาจารย์ช่วยทำให้จิตผมสงบทีท่านภูยิธรรมบอกก็ได้เธอเอาจิตมาให้ดิเดี๋ยวฉันจะทาให้สงบผู้เคาะวานหาจิตตัวเองหาตั้งไหร่เข้าไหร่ก็ไม่เจอเธอบผมหาไม่เจอครับท่านภูยิธรรมบอกตอนนี้เธอสงบแล้ว ชพันทารุวิคก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมตอนหลังก็ได้รั บ, ร บ, รบมอบบาทและจีวร เ, เป็นสังฆปรินายกองที่สองต่อจากท่านผู้ิธรรมแล้วก็สืบต่อไปเรื่อยๆธรรมะจากกิสูจิตจึงตัดพิธีตองต่างๆตัดคำพูดตัดอะไรยเยอะแต่ก็มีน้อยเผยแร่เฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นคือนิกานียไปเผยแร่ที่ญี่ปุ่นส่วนมากก็เป็นมาจากลินไซนี่แหละ การพูดของเซ น, เนบางทีก็จะพูดในเรื่องที่เราแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่อ้างตำราไม่อ้างคมภีร์ทําให้เห็นจิตจบบฉับพลันอาจารย์ออสพยายามจะพูดที่ที่หอตา ย, ยาหลายครั้งแล้วเรามาก็สังเกตอยู่ท่านพยายามชี้เยืโยมเหี่อารมณ์ขณะนี้รู้สึกยังไงง่วงไหมฟงังผู้พูดเบื่อไหมถ้าเกิดบางคนพูดไม่เป็นเโ ย, ยมจะฟังก็บเบื่อนะเมื่อไหร่จบสักทีอันนี้ไรเ้เห็นอารมณ์เห็นยฟังเบื่อหรือพูดแล้ว สนุกอะ่ะฟังไปหัวล้อไปชอบใจไปก็ให้เราเห็นอารมณ์ปัจจุบันเพราะการแสดงธรรมเนี่ยแต่ละคนจะมีการพูดที่ไม่เหมือนกันแต่ก็สอนสอนให้เราเห็นเห็นอารมณ์ได้ธรรมะ ส, สดสดเมื่อก่อนอรมาเคยเคยคุยกับพอีกคนหนึ่งที่มามาถามมาคุยกันแล้วแหละคือเขาเขาชอบอรรมานะแบบชอบคุยชอบคุยด้วยอะไรด้วยแลกเปลี่ยนความรู้ แต่พารูปนี้จะติดอารมณ์คือแกเกียร์พ่ายรูปหนึ่งมากเลยคือถ้าได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยก็จะโกรธแล้วก็จะหูเหินแดงเลยล่ะโกรธจะคุยกับมาถูกคอจนดีใจสักพักหนึ่งเนี่ยอันมานก็แกล้งพูดถึงพระคนนี้แหละพระที่เกียร์แล้วสภาพอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วนะจากเมื่อกี้อารมณ์ดีๆจะกลายเป็นโกรธแล้วมันก็ชี้ให้แกเห็นเนี่ยอารมณ์นี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะโอ้แกน้องเข้าใจวันนี้คือความคิดปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมัน มันยังไม่มีเหตุไงพอมีเหตุปุ๊บเนี่ยคนเราจะโกรธได้ทันทีเลยอย่างสมมติเราพูดถึงคนที่เราไม่ชอบอะ่ะไม่ขี้หน้า่างเงี้ยแต่พูดถึงคนที่เราชอบอะเราก็จะเออสรรเสริญชมไปด้วยนะแต่พูดถึงคนเราเกลียดอะถ้าเราบังทีเผลอสติไปอันตราก็เป็นบางทีเราไปพูดซ้ําเติมเขาทันทีเลยความไม่ชอบหรืออคติอะไอคนไหนที่เรารักเราชอบอะเราก็เออก็ส่งเสริมพูดดีพูดทำเขาดูดีขึ้นไอคนไหนที่แ ย, แย่แล้วก็ทำเขาแย่แย่กว่าเดิมอะคือแบบเราเราเติมฟืนฟ้นเติมฟืน้น หรือก่อฟืนสมัยก่อนเมื่ออาตมามาอยู่สุขกโตรใหม่ตอนนั้นอาตมามาปีสองห้าสี่สองตอนนั้นพระที่ดี่มีกี่รูปหรอกบรรยากาศก็แบบประตูประตูลั้วก็ไม่มีสุกโตรตอนนั้นยากจนอยู่เลยรถก็ไม่มีนะที่วัดแต่เมื่อก่อนจะมานี่ก็ต้องเดินหลุกข้องเขี่ยก็ต้องเดินมาอาตมาอยากไปผัวทองหรืออยากไปไปไหนก็ต้องเดินเหมือนกันแหละอยากส่งจดหมายก็ต้องเดินไปที่ท่ทาอไฟตอนนั้นก็มีอาจารย์ขันชิดเนี่ย มาอยู่กับหลวงพ่อขีดแล้วอาจารย์ชิดอันมาคิดว่าที่นี้คงรู้จักเพราะตอนนี้ท่านเป็นซูเปอร์สตาร์ของสายหลวงวัดเทียนแล้วดังแบบระดับน้องร้องอาจารย์ไพศาลนะเพราะว่าท่านเปเทศคือเขาเชื่อถือเขาที่บนท่านเปเทศในที่งานงต่างๆแล้วก็ลงสื่อลงอะไรสร้างวัดก็ใหญ่โตคือในสายหลวงวัดเทียนตอนนี้อาจารย์ชิดเนี่ยแทบจะดังเป็นเบอร์รองรองจาคือดังกว่าคนอื่นทั้งหมดแหละดังกว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเกือบทั้งหมด ตอนนี้อารมาก็รุ้นให้อาจารย์โน้วกาอาจารย์ลมใจดังขึ้นมาท่าผสมีแต่ก็ไม่รู้จะไปได้แค่ไหนสมัยก่อนอาจารย์ชิดเนี่ยการมาซีสติกันมากเลยอารามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยถ้ายอมลงทุนเลยนะเดินมาเพื่อจะปวดอารมาคนเดียวอะ่ะเดินจากรุ่นมา4กิโลอะ่ะแล้วก็พาอารมา เ, เดินชมรอบเขาแล้วแกก็พยายามสอนเซนให้อารมานะโดยใช้ไม้หัวดต้นไม้บ้างเพราะตับหลักรพ่าเนี่ยทำลายหรือเด็ดใบไม้เนี่ยมันจะมันจะอาบัดไงพาของเขียวนะ บางทีแกก็ยืนกินน้ำพระระบาเห็นเพื่อให้ดูว่าทําผิดวินัยเสยขชีววัตเมื่อก่อนอามาเก่งไงอาณาโกรธแกไหมรู้สึกไงกับแกบ้า ง, แ, งแต่อาจารย์ชิดแกเล่นผิดบทไงอามาก็เลยไม่รู้สึกงไงแกเลยเพราะว่าแกเหมือนกับว่าแกอยากสอนอะ่ะแต่แกแคล้ายๆตอนนั้นยังไม่เก่งอะ่ะก็เลยเฉยเฉยอาณาเฉยเ ฉ, ย เ, ฉ, ย เ, ฉยเพราะแกไม่เป็นมวยเท่าไหร่บางทีคนอยากสอนเนี่ย บางครั้งเสนอผิดวิธีก็เป็นโทษได้ด้วยฝวามเมตตาจะมีผ้าหลายคนอยากสอนคนอื่นคิดว่าตัวเองบรรลุนิพพานแล้วเห็นธรรมแล้วบางทีพูดธรรมะพูดนิพพงนิพานนานเลยหรืออยากสอนอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะคิดอยากใช้น่งใช้นี่อยากปลดปล่อยอะไรอ่ะอามาบทมาสิบกว่าปีจะเจอเหตุเรื่องแบบนี้ตลอดแล้วบางคนก็มาปวดอามาครึ่งวันก็มี คิดว่าตัวเองรู้ทำแล้วแต่จริงไม่ใช่หรอกตอนหลังสมาธิเสื่อมก็กิเลสมากกว่าเดิมเสียคนไม่ก็เยอะเพราะว่าธรรมะจริงเราเน้นสอนตัวเองมากกว่าเน้นสอนคนอื่นแต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราก็ไปนเน้นสอนคนอื่นมากกว่าสอนตัวเองเปิดเปิดความคิดหลอกว่ารู้ทำแล้วอีกแต่จริงไม่รู้แต่ฝากคิดไปจะหลอกนะเข้าข้างเรารู้ทำแล้วว่ารู้ทำแล้ ว, ว, าลวบางคนเป็นหนักหลอกว่าเป็นโสดาบันหลอกก็เป็นสกิทาคามี แต่ตอนหลังตรวจสอบบอลลมูไม่ใช่นะว่าเป็นบุรุชนมีหลายคนฮะที่เคยเพูามารู้จักคนเยอะบางคนเนี่ยขี้อ้อประกาศเลยแหละบอกฉันเนี่ยเป็นจบจบแล้วเป็นสกิทาคารีเนี่ยไปที่ไหนก็อยากเทศอยากแสดงพูธมะนดเนียนหมดเลยบางคนเก่งทั้งปริยัติแล้วก็เก่งปฏิบัติ ด, ด้วยคือคนที่ฟังเนี่ยจะรู้ว่าจะคิดว่าเป็นรู้ธรรมจริงๆแต่บางคนเนี่ยไม่เก่งคือตายได้ตอนแรกแล้วคือปริยัติไม่รู้แล้วธรรมะก็ไม่ใช่ ส่วนมากคนมีความรู้มันพูดได้แตกฉานอธิบายได้อะคนก็คิดวบรรลุธรรมไงหลวงพ่อชาเนี่ยลูกศิษย์สอนตัวเองนะเวลาเทศเไม่ให้สอนคนอื่นหรอกบางทีท่านใช้อุบายไงให้ลูกศิษย์ลองเทศบางทีไม่ได้เตรียมเรื่องเลยให้พูดตั้งสองสาชั่วโมงพูดจนเขาจะพูดเรื่องอะไรอะจนแบบคนฟังหลับกันหมดเหลือตุ๊กแกจิ้งจกฟังจนต่หลังเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อชาไปพูดที่ไหนท่านก็ไม่กลัวละเพราะไม่มีเหตุการณ์เลวร้วายเท่า น, นี้ มันไม่หวั่นไหวแล้วแหละโยมจะฟังหรือไม่ฟังขอให้เราพูดแล้วอ่ะผู้พูดมีความสุขก็พอมีความสุขสนานในการพูดแต่อาตมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าครึ่งชั่วโมงนี่นานมา ก, ก น, นะเมื่อไหร่ไหนกาจะบททีเพราะมันไม่มีเรื่องกับพูดอ่ะพูดไปแล้วก็นึกไม่ออกแต่ตอนหลังเนี่ยอาตมารู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงกับอาตมานีไ่ไม่แทบจะไม่พอเลยมองว่าอ้าเวลาจะบกแล้วต้องรีบเลิกอะไรเงี้ยอยวันที่อาตมายังไม่ได้พูดเรื่องที่ตัวเตรียมมาแล้วเนี่ยเวลาจะบทอะไรเนี่ยเหลือ5้าที เพราะว่าถ้ามอเบอรมา่ก่อนเนี่ยนานโอ้โหแบบครึ่งชั่วโมงนี่พูดวนไปเวียนมาเพราะเราลืมไม่ออกอะ่ะอย่างพระใหม่ที่หัดเทศบางทีก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรบทจําจเรื่องมาดีแล้วตอนพูดจริงพูดไม่ได้มันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยเวลาหลายเรื่องอย่างมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยที่ประเทศญี่ปุน่นว่าแกเขียนป้ายที่ประตูเนี่ยตั้งใจเขียนสวยให้สวยที่สุดอะโดยมี ลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งลูกศิษย์คนนี้เป็นคนที่สายตาแหลมคมมากแล้วก็คนที่จูจ้จี้พูดตรงไปตรงมานะอาจารย์อ่านเขียนเท่าไหร่เทา่าไหร่ถามว่าใช้ได้ไหมก็บอกใช้ไม่ได้เขียนไปอีกก็บอกใช้ไม่ได้อยู่นั่นแหละทั้งที่อาจารย์ก็ว่าเขียนสวยนะเขียนไปต้องไปดสิบี่แผ่นเสียหมดเลยใช้ไม่ได้เลยลูกศิษย์บอกไม่ผ่านอาจารย์ก็อไม่ผ่านก็ไม่ผ่านจนตอนหลังลูกศิษย์คนเนี้ยไปทําธุราที่อื่น อาจารย์เนี่ยจึงเริ่มเขียนใหม่ตอนนี้อาจารย์มีอิสระแล้วไม่ต้องถูกลูกศิษย์เนี่ยมาจ้องมองอาจารย์เลยเขียนแบบสบายอิสระพอเขียนอิสระปุ๊บเนี่ยลูกศิษย์กลับมาลูกศิษย์ชมว่าโอโ้โหเยี่ยมอาจารย์สวยที่สุดเลยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ไดฉั้นบางครั้งคนเราทําอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรอกอาจจะสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็ได้อย่างบางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องเทศนะอย่างหันมา เ, เทเส้ต่อหน้า อาจ <PTSD> ารย์ไป็สารเนี่ยบางครั้งเราเราว่าเลยเทสดีส well, <Laughs? ạo> ุดเทสเทสอยากให้อาจารย์ฟังเนี่ยแต่บางทีอาจารย์มานั่งเทสไปออกก็มีนะบางทีมันเหมือนกัเราเนี่ยแซงท่าว่าคนที่เก่งกว่าเขารู้ที่เราพูดอ่ะดีไม่ดีเงี้ยมันจะกดดันทําให้เราเนี่ยเทสไม่ออกเลยแหละบางครั้งเนี่ยท่านี่อยากโชว์อาจารย์พอตอนหลังเนี่ยมาไม่โชว์ไม่ไม่สนใจอาจารย์แล้วแหละอาจารย์จะร่างไม่ได้เราก็เทสที่เราเทสได้แหละคือไม่ไม่โชว์อาจารย์แล้วบางครั้งก็พูดออกจะพัฒใหม่ ถ้าเทศบางทีเจออาจารย์หลายๆค้อาจารย์มีหลายประเภทนะอาจารย์ที่รู้กับไม่รู้ถ้าไปเจออาจารย์ที่เขารู้มันก็กดดันน่ะเรื่องที่จะพูดเนีเ่ยเออเขาอ่านมาแล้วนะมันจะตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอดีกดดันเทศไม่ออกก็มีแต่ถ้าเกิดไปเจออาจารย์ที่เขาไม่ค่อยรู้มันก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลิกไม่กดดันตัวเองเทศที่เดียวเทศได้แหละเทศแบบสบายๆปื้ไมการปลดปล่อยทํางานก็เหมือนกันทํางานเนี่ยทำงานทํางานแบบ ไม่กดดันไม่ปลดปล่อยเนี่ยเราก็ทําได้ดีนะงานหลายเรื่องอน่ยแต่เราทําอะไรแล้วเรามีความรู้สึกกดดันอยากให้ดีที่สุดเนี่ยมกักไม่ค่อยดีหรอกเพราะมัมนแฝงอัตราอยู่แล้วทําทอะไรแล้วมีความคิดที่อิสระทำแบบสบายใจนะงานจะออกมาดีคิดตัเขียนก็เหมือนกันบางทีเขียนหนังสือเนี่ยบางคนสามารถเขียนแล้วไหลลื่นเลยบางคนแล้วเขียนไม่ออกความจําความคิดจะเป็นของไม่เที่ยงบางครั้งความคิดก็ไหลลื่นบางครั้งความคิดก็ติดขัดนึกอะไรก็นึกไม่ออก เรื่องเทพก็เหมือนกันบางครั้งก็เทพดีบางครั้งก็เทพไปดีเอาแน่นอนอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือเรามาฝึกตัวเองช่วงนี้เป็นงานกระถินก็เป็นงานที่ว่าภ้าวัดเราเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทํางานอันมาสังเกตนะมีพ้าบางรูปเนี่ยที่เก็บตัวมานานหรือไม่พูดไม่จาอะไรกับเพื่อนพอมาเข้าหมู่เขาจะมีความสุขนะเพราะว่าบางทีการทํางานร่วมกันเนี่ยมันได้ แสดงท่าแท้อะไรบางอย่างไงนะคือร่วมทุกร่วมสุขหรือไม่ชงไม่ชี้เหมือนกันเพราะคนที่เก็บตัวเองเนี่ยมักมีปัญหาคิดว่าเอ๊ะพอเก็บไปนานๆเพื่อจะลังเกียจเราไหมเนาะอะไรเงี้ยหรือบางคนที่เกียจมาทําวัดเกียจธรรมะก็มีความรู้สึกว่าขนาดที่มาทําวัดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหรือว่าฟังธรรมครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนลงละลกเลยเมื่อไหร่จะหมดเวลาทีเพราะใจเขาไม่ร่วมมือไงนะคือเขามาแต่กายแต่ใจเขาไม่มาแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจิต เปลี่ยนใจใหม่นะการมาทําวัดเนี่ยไม่ต้องมีใครบังคับมาไม่ใช่มาทําเพราะกลัวอาจารย์เปีสารเล่าจากวัดอันนี้เป็นความคิดที่ผิดแต่ภาพบางรูปคิดอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์เปีสารมาก็มาอาจารย์เปีสารไม่มาเขาก็ไม่มาคือเขาดือด้อดื้อแลเกียรธรรมะแต่เขา ก, กลัวอาจารย์เปีสารเล่าจากวัดชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขอนานนัไม่ใช่ชื่อหรอกแต่คิดว่าทุกค น, นที่ขอรู้จักเขาเพราะเขาปีหนึ่งทำทำวัดแค่สองเดือนนั่นเองสองเดือนละกวา่าแต่ขาดทาวัดเกือบสิบเดือน หน่งเดียวในวัดป่าสุกโตโเขาจะมีความสุขเลยแต่ขณะที่ทํางานกับเพื่อนๆเขาจะมีความสุขบางครั้งเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสํ า, ค, าสคัญได้แสดงออกเป็นฮีโร่ได้เพราะว่าบางครั้งการอยู่ร่วมกันน่ยคนมีสังคมมันจะมีความสุขไม่คิดเล็กคิดน้อยแต่ถ้าคนที่อยู่คนเดียวมันคิดมากนะอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราต้องระวังคำพูดอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดเพราะใช้ชีวิตเป็นก็มีความสุขใช้ชีวิตไม่เป็นก็ทุกข์แหะ มีปัญหาหมดแหละเพื่อจะคิดเรายัางไงเนาะไม่หนอเราเห็นกันตัวไม่เนาะอะไรเงี้ยไปเลื่อยเปื่ยการทํางานก็ไปการปฏิบัติทําได้เป็นการทดสอบให้เห็นอารมณ์ของเราเองอารมณ์ปัจจุบันนะว่าเราเบื่อไหมชอบไหมถ้าเราลักงานที่ทำสนุกแป๊บเดียวแหละก็หมดวันแต่เราเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องทนฝืนใจทําไปทําไปก็ไม่มีความสุขอะเมื่อไหร่จะเลิกเลิลทีอะไรเงี้ย ฉันสู้คนที่ทํางานเป็นไม่ได้ทํางานเป็นอย่างทําให้วัดเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเราเพื่อทําเพื่อส่วนรวมขณะที่ทําจิตก็ไปกุศลอย่างพวกแม่ชีช่วยทำบะข้าวอา้าวทาให้พระให้โยมได้ทานกันจะได้มีแรงบําเพ็ญประโยชน์ขนาดที่ทําจิตก็ไปกุศลละไม่ได้ทําเพราะว่าฝืนใจมีใครมาบังคับใครมาเอาเปรียบเราถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย จิตมันก็ไปกุศลทําทำไปน้อยเนื้อต่ำใจไปบางคนทำงานก็เอ้ยทำไปแล้วฉันจะได้อะไรเอาทีหวังหวังไปสิ่งตอบแทนก็มีหรือทำแล้วจะมีคนเห็นมีคนชมเราไหมถ้าคิดงี้ก็ผิดนะเพราะ บ, บางทีบางครั้งงานที่เราทำอาจจะโดนด่าก็ได้ไม่มีใครชมเราทุกงานหรอกบางงานก็โดนถูกชมบางทีก็ถูกดา่าแต่คนที่ทำทำได้เนี่ยก็ต้องทาแล้วมีความสุขอ่ะ พอใจในงานที่ทำด้วยการทำงานจึงปฏิบัติทำได้ความสามารถขีข่ขมูคนะก็ทำให้เกิดความผาสุขขอสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบแค่นี้